เวลาวอดม้ามาเพื่อมาฝึกทนมันเป็นเครืองหายอยู่นะมันไม่ได้ฝึกอันรบพึติไปตามความชอบใจอยากนอนจนตะวันด่งก็นอนไปอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นคนดีไม่ได้นันแหละมันจึงหากินไม่ทันเขา ก็มีแต่เพียงไปเป็งกรรมกรรับจ้างทำงานในโรงงานให้เขาเขาให้เงินมาพอซื้ออาหารกินไปวันวันอันนี้นับวะาเป็นสิ่งที่ควรคิดควรพิจรารณา ผู้ที่มันจัดเจริญรุ่งเรืองได้มันจะพึ่งตัวเองได้ก็เพราะการฝึกการอดฝึกอดฝึกทนไม่เห็นแก่รับแกโ น, น้นไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากทาไม่เหลือไว้ใช้ยังกิงก็ ไม่ท้อถอยในการงานต่างๆ ต, ต้องฝึกตอนอย่างนั้นสิคู้จะเป็นบวชอยู่นานได้ตลอดจากสมรมเนเป็นพระเป็นเจ้าต่อไปมันก็ต้องขยันในข้อวัดปฏิบัติเป็นธรรมเนนะอยู่ไปนาไปมันก็เป็นหนุ่มขึ้นมา เอาหนวทร ม, มานตนไปกิเลส ร, ราคะตัณหามันก็ครอบความจิตใจมันก็อยู่ไม่ได้แล้วเบงันฉะ น, น, น, นั้นอย่าพากันเกียดขานทีหวังความสุขในพรหมจรรย์ะถ้าไม่หวังก็ซึกออกไปซะไปหาธรรมมาหาเกี้ยงตัวเอง ียก็ไม่มีใครว่าอะไรถ้าจะอยู่กับพุทธมุาฉรรันเนี่ยมันก็ต้องขยันหมั่นเพียรต้องอดทนปฏิบัติตามระเบียบที่ท่านวางไว้ทุกวันนี้เราไม่ได้ห้ามใครนะเรื่องสึกหาลาเพศพวกเราสอนพอแรงแล้วว่าเมื่อสอนพอแรงแน้วยมันไม่รู้แช้งในใจของทนแล้ว ไม่เห็นอั น, นิสงส์ของการบวชแล้วมันก็ถึงแม้ห้ามไว้มันก็ทำความดีต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นใครลาศึกเราให้ศึกไปเลยเพราะว่าได้ชี้แจงให้ฟังพลรงแล้วมันก็ยังเอาชนะกิเลสเหล่านั้นไม่ได้แล้วก็ไปตามเรื่องนะอ ่็นั่นจึงเตือนไอ้ผู้ที่ยังอยู่โอ้ยังอยู่นี่น ะ, ะถ้ารักพรมจันจริงเห็นว่าการบวชนี่เป็นทางแห่งความ้นทุกข์ได้จริงแล้วเป็นทางแห่งความสุขในปัจจุบันนี้ซะด้วยก็ได้ทำงานการ ก, กรรมพน้นทนแดดอะไรล่ะบวชอยู่ ไม่เห็นได้กากรรมทำงานอะไรพอที่จะยากลำบากลองคิดดูที่ถ้าหากว่าพึกกิตใจได้นะไม่ไม่ประมาทและมีความเพียรเผากิเลสให้เวาบางให้ล้นอยู่เวยเช่นนีนะ้มันก็อยู่สบายสบายเป็นนักบวชนี่นะ สบายทั้งกายสบายทั้งใจร่างกายก็ไม่ได้กลากกรรมลำบากในการในงา น, นนะ <c oughs> ทางจิตใจก็ไม่ได้อย่างว่ามาแล้วนั่นแหละถ้าบัรเท่ากิเลสหยามหยานั้นลงได้แล้วก็มันสบายอยู่แต่และ ว, วันและคืนไม่เดือดร้อนอะไรเพราะจิตใจที่มัน มันไม่ ม, มีมันไม่เกิดความกําหนัดในรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสแล้วมันจะเหลือดร้อนอะไรมันก็ไม่เหลือดร้อนอะไรกิเลสตัวนี้สําคัญมากนะอืความโกรธมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกมีเหตุกระทบกระทั่งอีกเจ้งมันก็จึงค่อยเป็นไอราคะตัณหานี่ มันย่อมซึมทราบอยู่ในหัวใจนั้นเลยเป็นงานเรือยงมันนะดังนั้นผู้ใดไม่ทรมานตนไม่ฝึกตนเน่ยมันจึงเดือดร้อนอยู่งั้นเนี่ยมันจึงอยู่ไม่ได้การบวชพรมอาจารย์นนะถ้าผู้ใดวันเทากิเลสตัวนี้ลงได้แล้วไม่มีปัญหานะมันก็มองเห็น โลกภายนอกนั้นนทุกข์มากถ้ากิเลสตัวนี้เบาบางลงไปนะไม่ปราถนาอยากจะไปสู้มันแล้วกับการงานต่างๆในโลกมองไปไหนก็มีแต่เรื่องทุกข์ยิ่งคนที่ไม่ได้ศึกษาเราเรียนความรู้ในทางโลกมาไม่มีปัญญาความรู้ในทางโลกแล้วไป อยู่กับโลกเขานี่มัน ก, มนกมม็มันก็ไม่มีความเจริญได้นะับจะไปสมัครทำงานอันละเอียดปันนิดเงินเดือนสูงๆในตนก็ไม่มีความรู้อะไรเลยมีแต่ความรู้ขุดดินปันไม้หาบแบกหามอไปเท่านั้นเองเขาใช้ทำอะไรก็ทำไปอย่างนั้น อย่างนี้แล้วคนบุคคลผู้ที่ตกเป็นาทาสแห่งราคะตัณหานะชีวิตมันจะตกต่ำไปอย่างนั้นแหละให้เข้าใจถ้าผู้มีความรู้สูงในทางโลกเราค่อยชั่วน้อยอ่าพอหางานทำที่มีเงินเดือนสูงได้ยู ดังนั้นให้าพีนาให้ดีผู้คิดจะศึกษาลาเพศพอนี้ก็ต้องตริตองให้ดีโลกฟู่นี้มันก็เป็นเหมือนกันแหละแต่ยังหนุ่มยังแน่นบทมันกระสันขึ้นมามันกชัน้นก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับเดินยุ่งกลมเป็นชั่วโมงสองชั่วโมง เดินจงกรมไม่มีเลยมีแต่สร้างบ้านสร้างบ้านสร้างเมืองแต่ว่ามันยังมีวัฒนาอันนึงอยู่อันเพรามันสร้างไปสร้างไปแล้ววันนี้ก็อ้าวไปไปแล้วมาไปตายซะนี่นี่สร้างไปสร้างไปแล้วไปตายแล้วมีประโยชน์อะไรย้อนมาถามตัวเองไม่เห็นมีอะไรตายแล้วไม่ ได้เอาอะไรไปล่ะไม่มีอะไรพ อ, อ ย, ยอ้อนมาถามตัวเองอย่างนั้นโอ้ยเป็นความจริงเหลือแต่กลา ก, กรรมทำการทำงานลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินแสนทุกแสนยากอันไปไปล้วก็ความตายมาตัดรอนลงไปมันก็เลยไม่มีความหมายอะไรเลยสิ่งเหล่านั้นใจมันกระถอย ไม่กรสัรอยากศึกแล้ว น, นี่ก็ยังว่ามันมีบุญช่วยเหลือไว้ยังว่านะเนี่ยคิดสร้างบ้านสร้างเมืองก็จริงนะถ้าบุญเก่าไม่ส่งเสริมไปแล้วมันจะคิดเลยไปเลยนะมันจะไม่ย้อนกลับแล้วมันจะไม่ได้นึกถึงความตายอะไรแล้วนี่นะ นี่จะขึ้นชื่อว่าวุญกุศลนะตั้งแต่ก่อนมาก็เข้าเข้าใจว่าคงจะได้เจริญมรณสติกรรมาฐานเป็นอารมณ์นึกถึงความตายเป็นอารมณ์อยู่บ่อยๆเห่นั้นเมื่อมาชาตินี่มันขีเลศสมานมาลบกวนเอาก็เรื่องความตายมาตัด ถอนกันลงตัดถอนกำลังของกิเลสลงไปเหมือนอย่างประวัติของพระจุลบรรทกพระพุทธเจ้าทรงนำอดีตของท่านมาแสดงว่าแต่ชาติก่อนได้เป็นได้บวชเป็นพระเถระ เป็นครูเป็นอาจารย์สอนพุทธวจนะคำสอนพระเจ้าให้คุณบุตรธานีพระองค์หนึ่งไปเรียนด้วยพราะสมัยก่อนส่วนมากนะ้ะเรียนกับปากไม่ได้ดูตำราตำราอะไรนะในกลับใดกันใดที่มีผู้เจ้าบังเกิดก็ดีส่วนมากก็เรียนกับปาก สอนพระหนุ่มอง์นั้นไปพระหนุ่มองค์นั้นก็ดูท่ายสมองกระทึบสักหน่อยท่องได้แล้วผันลืมท่องได้แล้วผันลืมวันนี้ผู้เป็นอาจารย์สอ น, น, นก็หัวเนาะอ่า น, นี่เดี๋ยวพระองค์นั้นก็เก้อวันนี้เรียนไม่ได้เลยละอายใจผูอ้อาจารย์ผู้สอนก็หัวเราะเยอะเย้ ย, ะ ย, ะยะ พอเราหยุดเรียนกรรมมานั่นแหละเมื่อได้มาเกิดในศาสนาพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมันมีอยู่สองพี่น้องด้วยกันนะผู้พี่ชื่อว่ามาหาบันทกผู้น้องชื่อว่าจุลละบันทกผู้พี่นั้นนะออกบวชก่อนประพฤติปฏิบัติไปก็ได้สำเร็จอรหรัน วันนี้เ็าเลยไปเอาน้องออกมาบวช ด, ด้วยเอาน้องมาบวชบวชแล้วพี่ก็สอนธรรมะให้บาทพระาถาหนึ่งองนี้ตั้งเรือหนึ่งก็ไม่ได้เลยนั่นแหละบาปกรรมที่ได้หัวเราะพิกษูหนุ่มตั้งแต่อดีตนู่นอะ่ะ มามันติดตามมาสนองเราทำให้สมองทึบเลยเรียนอะไรจำอะไรก็ไม่ได้พี่ชายเรลยไล่หนีฮะนี่ไล่ออกไปจากวัดแม่อยู่ด้วยคราวนี้ผู้น้องชายก็เลยว่าพี่ชายก็ไม่เยื่อใยกับเราแล้วเราก็จะกลับบ้านนะไปศึกเท่านนะั้นอ ตอนดึกเนพระศาสดาทรงเลงญาณสองสันโลกรู้ว่ารู้ว่าพระจุลวรรธ น, นเนี่ยจะนนีไปศึกพระองค์เลงเห็นอุปนิสัยมีอยู่จึงได้ไปเดินจงกรมอยู่ปากประตูวัดพอดีพระจุลวรรธน์ น, นี่ก็เดินไปไปพบพระศาสดาเข้าพระองค์เรียกมหา ถามว่าเธอจะไปไหนพี่ชายไล่ข้าพราะองค์หนี่เนื่องจากว่าข้าพราะองค์เรียนพุทธวจนะยังไงก็จําไม่ได้เพราะงั้นเพียงบาดพระคาถาเดียวก็จําไม่ได้เพราะฉะนั้นข้าพระองค์จะหนีไปบ้านไปศึกเธ อ, อทําไมเธอจึงลืมพระพุทธเจ้าเส้นอย่างเราทศกทเลรา ทำไมไม่ไปหาเราทาโคตไม่ไปลาเราก่อนทำไมหนีไปโดยลำพังอย่างนี้ว่างั้นไปขึ้นไปกุดีก็พาพระจุลบันธกไปที่กุดีของพระองค์แล้วก็นิรมิตผ้าเช็ดปากในผืนหนึ่งให้แล้วก็บอกคาถาให้ รัชโชหระนังรัชังหรติคำนี้พอบอกคาถานี้ให้ท่านจําได้เลยนั่นแหละมันมันถูกกับจริตท่านกระท่องได้ท่องจำแล้วเอานะให้เอาผ้านี้ถูกแข่งถูขาแล้วทางใจก็บริกรรมว่ารัชโชหระนังรัชังหรติ ไปเยเรื่อยว่ายงนั้นนีท่านก็ทำตามอ่ะอท่านทำตามไปคราวนี้ตอนหัวลุ่งนี้พอสว่างแล้ววันนั้นหมอโกโมารพัทน์ทำบุญเลี้ยงพระมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเลี้ยงพระหมดวัดเลย500ห้าร้อยด้วยเลย อ, อ่ะ วันนี้ได้เวลาแล้วพร ะ, พระศาสดากับพระสงค์ก็เสด็จไปบ้านหมอโกมารพัทไปแล้ววันนี้หมอโกมารพัทก็จะน้อมอาหารเข้ามาเผชิพระองค์น้อมไอตักข้าวจ็ดใส่บาทพระองค์พระองค์ก็ปิดฝาบาทเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนรอก่อนยังมีอีกภิกษุรูปหนึ่งเหมือนั้นอยู่ในวัด พระมาหาจุนละวันถกท่านเป็นเจ้าบัญชีก็กราบทูลพระองค์ว่าไม่มีแล้วพระเจ้าค่าพระอยู่ในวัดไม่มีสักองคว่างั้นพระองค์ก็ยืนด้วยอนุมีสิทําไมไม่มีว่างั้นนะออหมอโกมาลพัดก็ใช้ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปในวัดอืม ในขณะนั้นผ้าจุลลบันทกท่านเจริญบริกรรมคาถาอนั้นและเอาผ้าถูแข้งถูขาไปมาผ้านั้นก็เลยเศร้าหมองเข้าท่านจะมาพิจารณาว่าอ้ผ้านี่เมื่อกี้นี่ขาวสะอาดดีนะวันพอเอามาถูแข้งถูขานี่เข้าไปแล้วเศร้าหมองไปเลย แสดงว่าร่างกายนีแม้สกปกโสมมหลือเกินจิตใจก็อยยังลงสู่ความเบื่อหน่ายต่อร่างกายสังขารพระศ า, ษ า, ษาสดาทรงรู้ก็เปล่งพระรัศมีมาอธิษฐาน ใ, ให้พระองค์ปรากฏต่อหน้าของพระชุทบันทกนั้นแต่พระองค์มาด้วยอนุภาพตัวจริงไม่ได้มา องค์แนะนําสั่งสอนทางวิปัสนาพระจุนบรรรกก็พิจารณาตามที่พระองค์สั่งสอนก็ได้สําเร็จอรหันเลยบะนี้่พอสำเร็จอรหันแล้วก็รู้ว่าพระพี่ชายนี่กราบทูลพระองค์ว่าไม่มีพระอยู่ในวัดเออบะนี้เราจะเราจะแสดงให้เห็นว่าพระมีอยู่ในวัดเหมือนกัน ท่านก็เข้าฌานแล้วก็อธิษฐานขอให้พระคึก อ, อยู่นี้เต็มวัดเลยแต่รูปร่างเหมือนกันกันกบพระจุลปฑกไม่มีผิดกันเลยบางพ่องก็ปัดกวดวัดอยู่บางพ่องกอดซักผ้าย้อมผ้าเย็บผ้าอยู่วันนี้คนเจ้าหน้าที่นั่นก็เข้ามาในวัด่ะ เห็นได้พระเต็มเลยวันนี้ก็กลับไปอเอ่เอเห็นพระเต็มแล้วก็ถามว่าท่านองค์ไหนชื่อว่าท่านจุนลบรรทมกวางัน้นก็เลยพูดเป็นเสียงเดียววันนี้เราลนะชื่อจุนลมรรทกองคนั่นก็จุนลบนรทมองคนี่ก็จุนลบรรทกไม่รู้ว่าจะเอาองไหนวันนี้นะก็กลับไปอ่ะไปทูลพระศาสดามา ข้าพระ อ, องค์เข้าไปแล้วมีพระ อ, อยู่เต็มวัดเลยอันถามหาชื่อพระจุลบรรทกก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยพระทั้งหมดในวัดพระศาสดาจึงได้แนะนำว่าเธอเข้าไปแล้วไปจับชายผ้าจีวรของท่านองค์ใดองค์หนึ่งไว้นะแล้วจึงค่อยถาม ว่าท่านองคไหนชื่อว่าจุลบันทกนเมื่อเจ้าหน้าที่นั้นไปเข้าไปก็เอามาไปจับชายจีวรองค์องค์หนึ่งไว้แล้วก็ถามว่าท่านองค์ไหนเป็นจุนลบันทกท่านก็ตอบว่าเรานี่แหละเป็นจุนลบันทกพระนองนั้นก็หายหมดเลยฮอันนี้เรียกว่าอิทธิฤทธิปฏิหารเป็นยงนั้น วันนี้เจ้าหน้าที่ก็จึงค่อยนิมนต์ท่านจุนลบรรทมถกนั่นไปเข้าไปในบ้านหมอโกโมาระพัทไปฉันภตาหารเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงรับสั่งให้พระจุลบรรทมถกนั่นแสดงธรรมวันนี้พระสงฆ์้ราก็กลับวัดพระจุลบรรทมถกก็แสดงธรรมให้พุทธบริษัทฟังน้ําไหลไฟ ไ, มไหมอะไรบ้า น, นี้ นันกกายิดโกรนนหลังไหลออกมาจากปากของท่านตั้งเทบวชทีแรกนั้นไม่รู้อะไรท่องคาถาท่องพระคาถาเดียวหนึ่งตั้งเดือนหนึ่งก็ไม่ไม่ได้เลยเมื่อเวลาท่านได้บรรลุมักผลแล้วความรู้นั้นไม่สามารถไปไหนเลยพระศาสด า, าแสดงว่าคือว่าท่านบวชเป็น พระแต่ชาติก่อนนู้นท่านเรียนจบในพระไกรปิฎกเลยว่างั้นอันที่ที่ท่านปรึกหาได้เกิดมาในชาติศาสนาพุทธเจ้าของเราเนี่ก็เพราะเห็นว่าไปหัวเราะลูกศิษย์คนหนึ่งมาเรียนทำด้วยนั่นแหลกรรมอันอั้นแหละมาผิดปังว่างั้นวันนี้พอดีกรรมนั้นมันให้ผลไปหมดแล้วหมดแล้ว จเจริญสมระอิมพัทนาก็จึงได้สำเร็จอรหรันพร้อมด้วยจจตุปฏิสัมพิทายานแตกฐานในอันใดทำได้ทันทีเลยโดยไม่ต้องเรียนให้ยากเพราะว่าท่านเรียนมารนชาติอนแล้วความรู้นั้นติดตามมาแต่มันมีกรรมมาหนึ่งมาปิดบังไว้ชั่วคราวพอกรรมนั้นหมดลงไปวันนี้ก็ ท่านก็ได้บรรลุอราหันต์แล้วความรู้ น, นั้นก็โผล่ขึ้นมาท่านจึงแสดงคำได้อย่างวิจิตพิสดารพลว่าอันนี้แหละเพราะฉะนั้นเรื่องการประพฤติพรหมจรรย์นะเป็นอย่างนั้นการที่เรามองเห็นว่าการประพฤติพรหมจรรย์ น, นี่เป็นทางออกจากทุกข์ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้า ได้จริงอย่างนี้แล้วก็พิจารณาอย่างนี้แหละในปัจจุบันก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเป็นนักบวชนี่นนมันมีภาระกังวลอะไรมากมายมันจะไม่สบายยังไงแล้วทำตัวเป็นผู้มากน้อยสันโดษแล้วมากน้อยมักให้กิเลสปันหามันน้อยลงไปแล้วสันโดษถือสันติธรรมมีตามได้ เมื่อได้มามากก็แบ่งให้ผู้อื่นตนเองก็เอาบริโภคใช้สอยแต่พอประมาณนี่เรียกว่าสันโดษนีนน่ไม่ทะเยอทะยานอยากจะได้บริขารเครื่องใช้ไม่ส้อยอะไรหรูหราละเอียดปานนีดอะไรอย่างนี้ไม่ปาถนาตนมียังไงบุญกุศลตกแต่งให้ยังไง ก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่อย่างนั้นถ้าพระพื่อตัวอย่างนี้อยู่นี่มันแสนสบายนะเพราะเราไม่ไม่ไม่สะสมนี้ไม่เหมือนอย่างผู้ครองเรือนนะผู้ครองเรือนมีเมีย ม, มีลูกมีญาติพี่น้องจำเป็นต้องได้แตกภาระสะสมเงินทองเข้าของเพื่อเลี้ยงคน ที่เกี่ยวข้องผัวพันกันมา ม, มันจึงแสนยากแสนลำบากนั่นแหละมันเนื่องจากว่าเป็นกระหัสนี่นะรับประทานอาหารกววันละสองมือสามมือนุ่นอ่งนี้ผ้านุ่งผ้าหงก็ไม่รู้ว่ากี่ชุดชอบใจชุดไหนกหาซื้อเอามามีเงินอย่างนี้ละ แด้จะมาให้เงินมันร้อยหลอลงไปยังไงอ่ะมันโลภมากอ่ะโลภมากในอาหารการกินโลภมากในผ้านุ่งผ้าหม่มโลภมากในยานพาหานะเอาซื้อรถคันนี้มาแล้วมาขี่ไม่ชอบใจขายทอดตลาดราคาถูกๆลงไปแล้วก็ไปซื้อคันใหม่เพิ่มเงินให้เขา นี่เรียกว่าคนเป็นตกอยู่ใต้อํานาจแห่งความโลภไม่ให้มันทุกข์จนหนโลกไงเล่านี่สําหรับชีวิตของผู้ครองเรือนอันนี้นะมันจิตใจมันแช่อยู่ด้วยกิเลสตัณหาไม่ค่อยได้ลำลีว่าจะลักกิเลสตัณหาเลยเนีลยผู้ครองเรือนทั้งหลาย ในอาศัยบุญเก่าที่ตนทำมาในชาติก่อนเป็นอยูอ่บุญเก่ามารักษาร่างกายันนี้ให้มีความสุขปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บเป็นส้ำซอกออกซ้ำวาได้แล้วกินก็ได้นอนก็หลับอย่างนี้ก็ถือว่าตนสบายแล้วก็ไม่ไม่ไม่คิดว่า ต่อไปเบื้องหน้าตนจะแก่จะเจ็บจะตายไม่ได้คำหนึงถึงเลยคำหนึงถึงตั้งแต่ความสุขในปัจจุบันที่ตนได้รับโยแล้วกัดยินดีพอใจอยู่เท่านั้นไม่ได้คิดว่าความสุขเหล่านี้มันจะยั่งยืนไปถึงไหนไม่ได้คิดเลยอผู้คิดกับมีผู้ผู้ใด สนใจในการสั่งสมบุญกุศลอผู้นั้นแสดงว่าคิดแหละคิดไปแล้วกลมารวมลงที่บุญมานี่มสมบัติภายนอกนั้นเราอาศัยอยู่ทั่วชีวิตนี้เท่านั้นสมบัติภายในนั้นย่อมเป็นที่พึ่งทางในจะปัจจุบันนี้และเบื้องหน้าดังนั้นถ้าเราไม่สะสมไว้ในปัจจุบัน ไปเบื้องหน้าก็จะต้องลงทุกเป็นคนยากคนจนหาความสุขสบายไม่ได้เลยอกมเลรคิดได้อย่างนี้อส่วนมากนะมันจึงขวนขวายในการบุญกุศลชอบบุญชอบกุศลอันเป็นพระเป็นเนนก็เหมือนกันนะอืมถ้าหากว่าคิดได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่เกี่ยวข้ามในการทําข้อวัดปฏิบัติ ปลุกใจเตือนใจเสมออ้าวจะ น, นอนไปทำไมนั่งหนาเดี๋ยวก็ตายเมื่อ ม, มัวแต่นอนอยู่ก็ไม่ได้สั่งสมบุญกุศลไม่ได้ฝึกจิตใจแต่อย่างไดอย่างนี้แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรนอนมากมากอ่ะอ่าอันผูใ้ใดเตือนตนได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่เกียยวข้านนอนมันก็ตื่นตามเวลา ลุกขึ้นมาทำความเพียร อ, อย่างนั้นท่านผู้ทำความเพียรถึงแม้จะไม่นอนเต็มที่แต่ร่างกายมันก็สมบูรณ์อยู่เพราะว่าจิตใจนั่นมันผ่องใสสะอาดแล้วมันก็ชูกำลังกายไ้ได้ช่วยทำให้ร่างกายกระปรี้กระเปเป่าอ่า ไม่ค่อยมีโรคภัยเบียดเบียนถ้าบุคคลใดเป็นผู้ที่ปล่อยให้กิเลสครอบงำจิตใจให้เศร้ามองคุณมัวเดี๋ยวก็ยินดีเดี๋ยวก็ยินร้ายเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็รับแค้นใจเศร้าโศกไปถ้าจิตใจเป็นอยู่อย่างนี้มันก็ทำให้ร่างกายทุดโทรมง่ายทำให้ โรคภัยไข้เจ็บมันกำเริบขึ้นมาได้ง่ายเป็นอย่างนั้นลองสังเกต ด, ดูทุกคนย่อมรู้ได้ข้อนี้น ะ, ะบางทีนะคิดมากจิตใจดวนเลเอไม่สงบระงรับเลยอย่างนี้นอนก็ไม่ค่อยหลับนั่นแหละ หลับก็หลับลับรั บ, ร บ, รบตื่นตื่นไม่เต็มที่เลยนี่ก็เพราะมันคิดมากนั่นเองเนี่ยมันทำให้เส้นประสาทมันกระด้างแล้วก็นอนหลับไม่ลงเลยมันเป็นอย่างนั้นแล้ววันนี้ก็อ่อนเพียเหี่ยวใจแล้วความคิดเผาตัวเอง ต, ตัวเองสร้างความคิดขึ้นเผาตัวเอง ให้เดือดร้อนนี่ดังนั้นเนี่ยคอยพากันพิจารณาดูให้ดีถ้าหากว่าบุคคลไม่มาพบพุทธศาสนาแล้วไม่ตั้งใจฝึกตนทรมานตนไม่ทำกิเลสให้เบาบางลงอย่างนี้เมื่อก็เกิดไปชาติใดก็เป็นคนกิเลสหนา ก็ก่อทุกข์ให้แก่ตัวเองอยู่อย่างนั้นแหละเกิดไปชาติใดก็ไปเป็นธาตของกิเลสตัณหาเป็นทุกข์ปนทุกข์ปนยากอยู่อย่างคนอยู่ในโลกอันนี้นหละเกิดมาแล้วก็ไม่มีสมบัติเข้าของอะไรมีแต่ร่างกายหาเงินหาทองอะไรก็ไม่ค่อยได้ก็บ่นทุกข์ปนยากไม่ฝึกตนให้เป็นคนหมั่นคนขยัน เอาแต่ความเก็ียดค้านเห็นแต่แกหลับแกนอนเห็นแต่แกอยู่แกกินเห็นแต่แกความสนุกสนานในโลกรำที่ไหนไปที่นั้นขับพร้องที่ไหนไปที่นั้นดีสีตีเป่าที่ไหนไปที่นั้นเสภาที่ไหนไปที่นั้นเพลงที่ไหนไปที่นั้นพระพุทธเจ้าแสดงไว้กุคนผู้หลงผู้เมา เมาในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารก็เลยไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลอะไรไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลให้มากขึ้นในสันดานเขาติดความสุขชั่วคราวเหล่านั้นได้ทำบุญก็เดือนทีปีหนพอเป็นอมภนิสัยก็ได้เกิดมาเป็นคน เมื่อเกิดมาเป็นคนแล้วก็เป็นคนยากคนจนคนแค่นไม่มีทั้งทรัพย์ภายนอกทั้งทรัพย์ภายในคือปัญญาไม่มีปัญญาที่จะหาทรัพย์สินเงินทองอะไรได้ไม่มีปัญญาที่จะสั่งสมบุญกุศลอันเป็นทรัพย์ภายในได้อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นให้พากันคิดพิจารณาให้ดี ไอ้ความไม่ฝึกตนนี่นะมันทําให้ชีวิตนี่อับเฉาลงเหมือนพระจันทร์ข้างแรมจริงๆเงหาความเจริญไม่ได้ไม่ว่าแต่เจริญในทางทำเลยแม้ทางโลกก็เจริญไม่ได้ก็พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วนี่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของต น, นตเป็นผู้รับผลแห่งกรรมมานั้นหมายความว่าตน เมื่อตนทำความดีแต่น้อยความดีมันความน้อนยผลให้แต่น้อยเท่านั้นเองมันก็ไม่มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้อย่างนี้นะไอ้กรรมมันยุติธรรมนละยอืมมันอย่าพากันนิ่งนอนใจเ่ได้ฟังอุบายธรรมะที่แนะนําสั่งสอนนี้แล้วก็จามเอาไว้ไปน้อมเข้าไปสอนตนของตนเข้าไป เพอย่างที่เคยพูดให้ฟังอยู่แล้วว่าคนคนหนึ่งควรจะได้มาบวชนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆ่ายถ้าบุญไม่มากสมควรเนะี่ยมันมาบวชไม่ได้เพราะการบวชนี่มันต้องมีความประพฤติความเป็นอยู่แตกต่างจากชาวบ้านมากมายกายกองอย่างนี้นะมีวินยัยระเบียบข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เลยแต่เรายังยินดีมาบวชยินดีรับปฏิบัติตามข้อว่าปฏิบัติที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งบัญญัติไว้ทรงสั่งสอนไว้นี่ยอมรับอย่างนี้มันจึงบวชได้นงอยากนั้นเมื่อเวลามาเข้านาคจึงให้โกนผมโกนคีรอนุ่งขาวห่มขารักษาสินแปดไปก่อน ว่าจะได้หรือไม่ได้เอารักษาสินแตกกันได้แล้ววันนี้แล้วก็ทำข้อวัาปฏิบัติก็เป็นไปได้กับพระกับเน้นผู้อาจารย์ผู้สอนผู้ฝึกก็เห็นว่ามีความบกพฤติพอเป็นไปได้สมสมควรจะเป็นพระได้อย่างนี้ก็จึงได้บวชให้นี่นะ ทบทวนดูให้ดีแต่คนเราเนะ่ะมันลืมอะมันลืมความตั้งใจของตนแต่แรกตนจะตั้งใจมาหวังว่าจะบวชจะประพฤติพรหมจรรย์จะปฏิบัติชำระกิเลสตันนาให้น้อยบาบางท่านเมื่อบวชเข้ามาแล้วเคยความประมาทขึ้น ไม่มีอุวยแยบคายในใจไม่สอนทนกิเลสมันก็เข้าหุ้มห่อจิตใจทำใจเศร้าหมองขุนมัวไปก็เลยท้อใจแลลืมเรื่องความตั้งใจแต่เดิมเสียแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปลืมเราทุกคนโดยเฉพาะมาบวชวัดป่านี้นะ ก็เรารู้อยู่แล้วว่าวัดป่านี่เพื่อนมีข้อวัดปฏิบัติอย่างไรมีระเบียบอย่างไรเราก็ ย, ยังยินดีมาปฏิบัติยินดีรับเอาข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้ไม่ย่อท้อยินดีปฏิบัติตามนี่นะก็เมื่อเรายินดีปฏิบัติตามมาแต่เบื้องต้นแล้วอย่างนี้ก็ต่อไปก็ยินดีเรื่อยไปสิเมื่อเราปฏิบัติ ตรงตามทำตามมีในไปเท่าไหรมันก็ได้รับความสุขความสบายใจไปเท่านั้นวันนี้การเมืพุทธพโมจันมันก็มั่นคงไปได้อมันเวรงานเรื่องมันนะแตอถ้าไปเกี้ยกล่้านทําความเพียรแล้วไม่ได้จริงๆเป็นอกวดนี่นะอยู่มาได้จริงๆโดยเฉพาะวัดป่า <c oughs> วัดป่านี่นะเพราะว่าผู้เป็น ค์น้าผู้เป็นผู้นําก็ไม่เดีวไหลยืนตัวอยู่ในข้อปฏิบัติเป็นตัวอย่างเป็นผู้นําำฉะนั้นผู้ตามหลังจะไปออกนอกทางไม่ได้ก็ต้องเดินตามกันฮดังนั้นแหละผู้บวชเข้ามาผู้มีบุญวาสนามันก็จึงมั่นคงอยู่ได้เนื่องจากว่า เคารพต่อข้อวัดปฏิบัติเคารพต่ออุปชาอาจารย์ถือนิสัยจากอุปชาอาจารย์อุปชาอาจารย์ท่านยังอยู่ได้ทําไมเราอยู่ไม่ได้อุปชาอาจารย์ท่านก็ยังมักน้อยสันโดษทําไมเราจะมักน้อยสันโดษไม่ได้นี่ในเมื่อผู้นําแล้วไม่ แสดงความเหลวไหลในทำในวินัยให้ลูกศิษย์ลูกหาได้เห็นความบกพร่องแล้วองนี้นะเห็นแต่ประพฤติตรงต่อธรรมต่อวินยัยผู้เป็นลูกศิษย์ลูกหามีบุญวาสนามมันก็เอาตามเลยแบบนี้เออก็ปฏิบัติตามเลยปฏิบัติตามมันก็ได้ผลจริงๆก็มั่นคงอยู่ได้ในพรหมจรรย์เนียมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะ ดังนั้นให้พากันพิจารณาให้ดีอายุคนสมัยนี้มันยิ่งสั้นนะมันจิตไปดิ้นหลนไปอะไรดิ้นลนไปไม่นานมันก็ตายฮะมันจะนมนานอะไรคนละห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบปีส่วนมากอยู่ในเกณฑ์ น, นี้แหละแต่ส่วนน้อยนั่นเลย เจ็ดสิบแปดสิบปีเก้าสิบปีนั้นมีส่วนน้อยอันนั้นนะส่วนมากมีอยู่แค่เจ็ดสิบกว่าปีนี่แหละเท่าที่สังเกตมานะชีวิตนะเมื่อมันจิ่นานอะไรอแล้วเราจะได้อะไรไปเนี่ยคิดดูให้ดีมาอยู่ในโลกนี่ได้อะไรบ่เนี่ยลองถามตัวเองดูเมื่อโยนมาถามตัวเองถามจิตใจตัวเองมันก็ มันก็ต้องตอบได้ทันทีเลยว่าไม่ได้อะไรจริงๆนะจะได้อะไรมีอะไรก็สักว่าจะมีก็เมื่อตอนตายแล้วมันก็เป็นของผู้อื่นไป น, ะนั่นตนจะได้อะไรลรวนี่นี่นะมันก็ได้ใช้ได้สอยอาศัยแต่มีชีวิตเป็นอยู่ปัจจุบันนี่เท่านั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นนะเมื่อพี่นาลงอย่างนี้ตัณหามันก็เบาลงไป รวมถ้าเย่อทยานอยากอยากครองเลือนอยากเพิดเพลินในกรารมาคุณต่างๆนา น, นาพวกนี้มันก็มันก็ยุติลงได้นะมันจะเพลินไปเอาอะไรอ่ะมันมีแต่ของตายทั้งนั้นเลยรูปเสียงกลิ่นรดเครื่องสมบัตอะไรมีแต่ของตายเกิดมาแล้วก็แพร่โปรไปก็แตกดับทำลายไป มันก็เป็นความจริงอยู่อย่างนี้นะถ้าว่าผูใ้ใดมีความเพียรเพ่งวินิจพิจารณาอยู่อย่างนี้เนี่ยมันก็บันเทาความเพิดเพลินมัวเมาความโลยานอยากนั้นลงได้ที่ประเี้นะอ่านี่แล้การโดยพืโชโพมจันเราจะได้รับความสบายก็เพราะเรามีอุบายปัญญาสอนจิตไม่ให้เพิดเพลินมัวเมาในกามทั้งหลาย ดังกล่าวมานี้เพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังนี้แล้วก็พึงพากันตั้งอยู่ในอปิมาทะธรรมคือความไม่ประมาทคือไม่เห็นแก่รับแกนอนไม่เห็นแก่อยู่แก่กินไม่เห็นแก่ความเพลิดเพลินมัวเมาอย่างนั้นแล้วอยู่กันสงบสงบอย่างนี้าภายนอกมันสงบได้ แต่ภายในจิตใจมันยังไม่สงบก็เอาสิอย่าระลึกไปทางอื่นนะระลึกเข้ามาหาจิตในี่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ระลึกเข้ามาควบคุมจิตนี่ไว้เพราะว่าก็อย่างว่าเนี่ยเ ร, เราเป็นพระเป็นเนรเนี่ยนะไม่ได้ทำงานกรรมผลทนแดดอะไรเลยนะจึงมีแต่หน้าที่ควบคุมจิตดวงนี้ให้สงบ ให้ตั้งมั่นอยู่ภายในอย่างนี้นะขอให้เข้าใจส่วนมากมันไม่ไม่ไม่เป็นอย่างนี้นะเมื่อตนได้อยู่สบายไม่ได้กำพ้นทนดดแดดอะไรยิ่งสนุกคิดสนุกพรุงแต่งสร้างวิมานบนอากาศเข้าไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นสาเหตุที่ละกวดเนี่ยมันจะเสื่อมมันจะ ประพฤติพรหมจรรย์ไปไม่ได้ตลอดนี้นะถ้าถ้าไม่ประมาทยังกล่าวมาแล้วนั้นไม่เสริมจากพรหมจรรย์จะเป็นผู้ตั้งมั่นตลอดไปเลยดังแสดงมา